ร้อยเจ็ดสิบสี่ชิ้นนะครับคอแสนสี่ายกปวารณาที่สุ้เข้าไปยังเรือด้วยขนนทั้งหลายที่เตรียมไว้เป็นของฝากก็ดีด้วยอาหารให้ทั้งหลายที่เตรียมไว้เป็นเสื้อเบียยก็ดีเพื่อให้นำเอาไปได้ตามต้องการที่สุกผู้ต้องการพึงรับได้สองสามบาท ถ้ารับเกินนั้นต้องนอำบัปาจิตตีทั้งรับสองสามบาทนำออกไปจากที่นั้นแล้คืนแบ่งปันกับทิกสุงทั้งหลายนี้เป็นวัดปฏิบัติที่ดีงามในเรื่องนั้นใชไหงครับใ่ชา <c oughs> ยพ อ, นะอแลั้ว็ที่หมายนเพราะว่าพอเขาเห็นท่านบิบาบ้านบา้านก็นิมนต์เลยนะนิมนต์มาใส่บาทเลยนะครับ อันนี้ใส่ขนมนะท่าบอกว่าอาหารแล้วว่าดูอย่างไดอย่างหรือไม่ใช่เสรนต์ตเป็นขนมอย่างเดียวที่มีรสเลิศ น, นะครับที่เขาเตรียมเป็นของฝากของกํานันนะเข้าเตียงไว้ให้นะครับอันนั่นแหละเพื่อจะเอาไปฝากคนละปากอะไรเงนินละแต่ใช่มหมเนี่ยข้าเตียงไว้อย่างดีในขนมนอร่อยเนี่ยนะอาหารอร่อยนี้นะครับหรือว่าอาหารแห้งนะครัเครื่งตีงก็เป็บเบียน จะเป็นข้าวสารอาหารให้งมากๆกับของของผู้ถือผู้งานสารุปของสรุปก้องอะไรก็แล้วแต่นะเทียนเป็นเสบียงเดินทางนะครับอันนี้ต้องจอดจงลักษณะนี้เลยนะในข้อนี้นยครับเนี่ยอาหารที่เป็นของฝากแล้วก็ก็เทียนเป็นเสบียงนะเนี่ยพอบ้านเป็น บ, บาทแล้วโค่นนิมนนะให้มารับให้เต็มที่นะครับใส่ไปถ้าบอกว่าพิสูจน์รับได้อย่างมากใช่ไหมสองสามบาท เต็มที่รูปหนึ่งสามบาทนะครับโหเต็มที่แล้วนะสมบาท่ทำยังไงใสาา่ยสาบแล้วเต็มบาแล้วก็ใส่ยาบที่หนึ่งเป็มบาทที่สองใส่ยางที่สองครับสมัก่อนข้าจะอ้าสองูิไปใช่ไหมสองลูกศิไปนะครับแล้วก็รับบาทูกศิษมาแล้วก็รกับตอบอย่าน้นะ้ารับก็สา สมัยนี้คงจหย่ๆนะถ้าเราจ้าดินสามบาทนะครับถ้าเราเกินสามบาทนะครับเพรมันเต็มบาทที่สามเต็มใช่ไหมมันเลยขอบปากบาทขึ้นมานะแล้วก็นับเอาบาทกลางจำนวนเอขนมหรือวัตถุที่มันเลยขอบัาทขึ้นมาเรามีกี่ชิ้นก็จะต้องเอาบาทกลางลนั้นนะครับที่เคยที่ขอบขอบปากบาทขึ้นมานะครับทีนี้บอกว่าถ้าว่าเรามาสามบาทพอดีนะ ไม่เกินนั่นนะครับเวลาเราออกไปจากที่เรา่หรือเราปรกาอใช่ไหมเห็นวสุทธ <item related> ิเดินมาเราต้องบอกนะว่าเลยท่านบ้ารแล้วไปรั่ามาสามบาทแล้วนะท่านยังไปรับอีกหรือเลามาสามบาทแล้วของเราถ้าเราไม่บอกยังเป็นอย่างมัทุกข์กอนะคนี่นะแล้วกที่ดูจะรู้ว่าข้ารั่ามาต้องสามบาแล้วนะก็ยังไปวิธบดีนั่นไปรับมาอีกแล้วก็ต้องมาทุกคนกอแกไอวิ่ ที่ต้องไปนี่เพื่อรูปเดียวหรือว่าที่รับเองหนึเกินสามบาทนะต้องไปที่ที่นี้ถ้าเกิดเรามาสายมาปุ๊บใช่ไหมให้ไปที่ไหนนะครับเอกไปจากที่นั้นแล้วพึงไปปันกับที่สุดเท่าไหร่ก็ไปที่หอหอฉันนะที่กลางที่สุดที่อยู่แถวนั้นครับหรือว่าที่เรากลับไปฉันประจําเลยเป็นที่ว่าหรือว่าที่หอฉันกลางป้ายอะไรแต่ที่เราไปประจ้วก็ไปที่นั่น แล้วก็เรารับมาสาบาทเนี่ยแบ่งสงสองบาทหรือว่าบาทหนึ่งนะครับเราจะแบ่งแก่คนข้างในก็ริบผิดอบันไม่ได้ต้องถวายสงะครัาถวายสงไปเลยไม่ต้างสงฆ์จัดการเราก็เหลือาบาทหนึ่งถ้าเรามาสอบาทก็ถวายสงฆ์บาทหนึ่งไอ้ว่บาทหน่ถ้าเหลือว่ารับมาบาทนี้ก็ไม่ไม่แบ่งเลยก็ไไม่เป็นไรนะครับนี้เป็นเป็นบันที่ดีงานเรื่องนี้นี่มันเป็นต้นเหตุมาจากสัทน นี่ธรรมไดอันนี้มีเกี่ยวกาเรื่องพระนเยมคคด้วยนะครับถ้าถวาได้ยืมขนานนี่ไงถวายถวายชิงบวกเลยนะครับเรื่องอุบาสิกาชื่อการะอมาตาหระมาดาของนางการ์นโดยสมัยนั้นคุณพระพุะเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอาลางของอาานางาริบิกาข้ามปฎิเคปพระนคสามวัฏฏิครั้งนั้นบัณฑิตาชื่อการณมาตาไปสตผู้มีสัทธาลูกสาย เป็นแพ่อาเรียมบุคคลด้วยนี่เขาไม่ใช่ธรรมนานะได้ยกบุตรีชื่อกานาให้แกชายผู้หนึ่งผู้หญิงคนนี้แกชื่วกานาเพราะว่าแกสวยมากผู้ชายคนไหนเห็นแกต้องหงูว่าคลั่งหอนกับคนบออเลยนะครับ mm hmm. ขนาดนั้นเลยแกก็ได้ชื่อว่านางกานาครับถ้าบอกว่าชนพวกใดเห็นนางชนผู้นั้นกลายเป็นคนบอกคือหล่อนะพระฟ้ากำหนดนะครับ เนี่ yeah. เป็นผู้มุ่นโพ้หลาช า, นะานางี็ได้ชื่อว่ากานาครับแม่ในแม่ของนางก็ได้ชื่อว่ากาณาบรรตาแม่ของนาง ก, ก า, า, า, างน า, น, า, านี่นะทีเนี้แม่เขาก็เลยได้ยกลูกสาวที่ชื่อกานาให้แก่ชายพุ้นในตําบลบ้านมือครั้งนั้นนางกานาได้ไปเรียนมาได้ทุลักบางอย่างเข้าไปอยู่ภาษาเมียใช่ไหมกลับมาเยี่ยมแม่ได้วยทุลักอะไราบางอย่างนะ สามีของนางกาณาได้ส่งพูดไปในสมัคนางกาณาว่าแม่กาณาจงกลับมากฉันปรฎิญาณให้แม่กาณากลับก็ส่งพูดไปแล้วให้ภรรยากลับเลยนะครับจึงบันทึกการชื่อกาณามาแตา่คิดว่าการให้บุตรตีจะกลับไปมือป่าลูกอะไรอยู่จึได้ทอดขนมเมื่อขนมสุกแล้วทอดขนมเตรียมไว้จะเป็ ข, ของป่าใช่ไหมให้ลูกสาวเป็นป่าลูกเหยนะครับ พอกลับไปมือไปมือยางยงอยู่นะแนจะมีของฝาอะไรไปฝากลูกเขยบ้างนะทีนี้เมื่อขนมสุกแล้วพิสุผู้ถือเที่ยววิบารูปหนึ่งได้เข้ามาถึงบ้านมัสสิกาการนามาตาจึงมัสิกาการนามาตาสั่ให้ถวายขนมแก่พิสุรูปนั้นนะครับพิสุนั้นออกแล้วได้บอกกับสุรูปอื่นนะนางก็สั่ให้ถวายขนมแม้แก่พิสุรูปนั้นะคริสนออกปแล้วได้บอกแก่พิสุรูปอื่น นางก็ได้สั่งให้ถวายขนมนแม้ใก่พิสุรูปนั้นสาวรูปนั้นเนี่ยาามารล่ากันนะครับแต่เมื่อขนมตังพี่จัดไม่ได้หมดสิ้นไห้วนะคะของฝากหมดเกี้ยงเลยนะอันนี้เป็นธรรมดาครับผมว่าภาพนีเป็นภาพนี้สาวิการนะเวลาเห็นภาพิีนาบมาท่านอดไม่ได้ที่จะไม่ใส่บาทนะครับท่านก็เลยใส่สหมดเลยนะมีคําพูดตอนนี้นะครับเนี่ยจาเสียงเนี่ยเขาบอกว่า อุบาสิกาผู้อริยาสัมวิการเห็พิสุจธ์ทั้งหลายแล้วไม่อาจที่จะไม่ถวายของที่มีอยู่เพราะวาให้เรียกใส่สัตหีบมาใช่ไหมครับเห็นผ้ามาก็ต้องใส่นะขนมจะได้ใส่หรอกนะนะเห็นนั้นพ่อยนั้นอุบาสิกาจึงได้สั่งให้ถวายจึนขนมทั้งหมดจนขนมทั้งหมดแล้วได้ถึงฟางสิ้นไปให้ถวายหมดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะแม้ครั้งที่สองสามีของนางกาณา ได้สมพูดไปในสมมติ น, นาการนาว่าแม่ก า, านาจมกลับมาฉันพรารนาให้แม่กานากลับแกก็ยังไม่กลับเพราะว่าของป่ายังไม่เสร็จไงแต่เ <c> อ <oughs> ็มก็เลยส่งข่าวมาเป็นครั้งที่สองนะแม่ครั้งที่สอ ง, งอุบาสิกาการมากมาทั้งคิดว่าการที่บุตรีจะกลับไปมือป่าดูะาอะไรจะเน้นข้าวขนมเหมือเดิมนะครับแล้วข้าวขนมก็ยังพิสูจน์ว่ามีเนบาดแล้วก็ใส่บางผพรใส่บางรพระสามครั้ง จึงขนมได้หมดนะครับแต่นางกานาเขยงไม่กลับเพรถะนมยังไม่เสร็จยังไม่ได้เของฝากนะครับทีนี้นะแม่ท้องที่สานะครับสามมีข้อคนไม่ไหวนะก็ต้องส่งขาวมาอีกนะครับเอแสามีคุณนางกนาก็ได้ส่งตู้ไปเสนอให้นางกนาว่าแม่กานาจงกลับมาฉันปรารถนาให้แม่กานากลับมาถ้าแม่กนาไม่กลับฉันจะนําญิงอื่มาเป็นภรรยา โห้เขาไม่ไหวน ะ, ววนะนวนเนี่ยกรรมการถนเนี่ยครั้งที่สายังไม่กลับถ้าไม่กลับเนี่ยจะหินมาเป็นภรรยาเลยนะแม้ครั้งที่สามบากาการนมาตาคิดว่ากที่บุตรจะกลับไปมือตาดูะไรอยู่ที่ได้ข้าวนมเหมือนเดิเลยครับขนมสุดแล้วพ่มิเบายอีกสามครั้งช่หมแล้วใส่บททัตรพลา ม, มูกเลยครับ น, นางกานายังไม่กลับสักทีเลยะ ทั้งสามีคนรังการนานําหญิงนี้มาเป็นภรรยาแล้วเขาผลไม่ได้นะภรรยาไม่กลับไปก็เอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาเลยนี้พอรังการนาทราบข่าวว่าสามีนําหญิงนี้มาเป็นภรรยานางนี้ได้ยืนร้องไห้เราเศร้าโศกเสีเยใจนั่งร้องไห้ครับขณะนั้นแล้เป็นเวลาเช้าเมื่อเจ้าโซนจาราวส่งแม็คทรงบาชีวอนเจ้าเข้าไปถึงบ้านพิการกาและมาตาม ข้าแลได้ไปิดถ้ำนั่งเหงลือพุทธอ่านที่เขาถูราถวายท่านได้บาติกาการนามาตาได้เข้าป้อมเมื่อข้าเจ้าถวายวังคมแล้วนั่งนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งมือข้าเจ้าสั่งทางบาติกาการนามาตาผูาน้นัน่งนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่านางการานี้ร้องไห้ใหม่จึงบาติกาการนามาตากล่าวถูงหนึ่งนาาัน่งเมื่อข้าเจ้าร้อยการนี้ทงทราบเป็นอย่างไรคลับ พระุทองค์ทรงชี้แจงวันจักรกันนันมาตาเห็นแจ้งสมาทานอา่า น, น, านร่างเดิมด้วยธรรมินคาถาเนะในนั้นนางกนันก็อยู่ในที่นั้นนะก็ได้ฟังทําไปด้วยนะครับพอธรรมเทศนาจบลงนางกานันได้เหมือนเป็พระโสดาบันครับไม่ธรรมดานะพระอก็เสด็จนะครับทรงลุกจากที่ประทัเบเสกขพอสามีของนางกานันเนี่ยทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบ้านของนนางกาันมาตา ก็เลยเอา <c oughs> ัางคานาไปตั huh ้งไว้ในตำแหน่งภรรยาหมือนเดิมเสรีมกษามีพระสัทธาเหมือนกันนะอันนี้เรื่องแรกนะครับยังไม่พวะอยังไม่ทำมีเดชขามบทเลยนะก็มีเรื่องที่สองเกิดขึ้นอีกเลยครับเป็นเรื่องของพ่อค้าก็วิสุทธิไนั่นแหละพ่อข้างเกวียนผู้หนึ่งประสงค์จะเดินทางไปยังถิ่นตะวันตกจากพรนครราชกษอตริย์ ที่สุดผู้ที่เป็นบารส์รุ่หนึ่งได้เข้ากับบิณเบารถึงพวกพ่อค้าเกียวหนุนนั้นอุบาสกคนหนึ่งได้สั่งให้ถวายข้าวสตูข้าวสตูนิดเป็นเนมันมีสตูกล้องสตูผอมที่มันเข้าแหวนขนมกนเดนทางมาเตรียมไว้ครันยังไม่รู้นะครับเป็นกล้องสตูผอมข้าวหมัอหรือข้าวหม้อรึเปล่าครับโอ้ข้าม้อนี่แข็งนะ ข้าวไม่แช่นะเขาก็มนะกามแช่น้ำฉันนะครับมันจะพอดีแล้วมันก็จะพองตัวมันจะอิ่มใช่ไหมผมผมผมแปรงหนาเขาบอกผงพองอ๋อขา้าวเนี่ยนะมีใช้นิ่งขึ้นนะข้าถ้าฉันเป็นเพียงไม่ไหวน ะ, ะแต่ถ้าเวลานเดินทางจริงก็คงเนื่องนะประทางชีวิตไปคงได้นะครับรี่นะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าเรียนต่อ ทีนี้เมื่อมีถ่าบาะอุบาสกนันได้สั่งให้เขาถวายเข้าสัตตุแก่พิสุนั้นพิสุนั้นออกแผลได้บอกแก่พิสุรูปอื่นอุบาสกก็ได้สั่งให้ถวายเข้าสัตตุแม้แก่พิษุรูปนั้นพิสุนั้นออกแผลได้บอกแก่พิษุรูปอื่นดีนะครับอุบาสกก็ได้สั่งให้ถวายเข้าสัตตุแม้แก่พิษุรูปนั้นสามครั้งที่ไม่ดีเศรษฐีอาจารย์ที่เขาได้จัดเตรียมไว้ได้หมดสิ้นแล้ว ไม่วาบาลส่งพวนี้ก็ได้เป็นพระนบุคคลกันนะครับไม่ทําบนขณะนี้นะเต็มที่นะครับอย่างหมดเลยจึงบาลส่งนั้นได้บอกแก่คนพวกนั้นว่าวันนี้เรทงกนายจงรองก่อเพราะเสบียงตังที่เราได้จัดเตรียไมไว้ถวายพระคุณเจ้าทุกลายอาหมดแล้วนะครับเข้าไปเจ้าจะเตรียมเสบีย ง, ยงต่อนเขาก็ไม่รอเพราะเตรียมอยู่ินทางแล้วนะคนพวกนั้นกล่าวว่าพวกผมไม่แสามาจะคอยได้ขาเลา พอพวกพ่อค้าเคียร์เริ่มเดินทางแล้วดังนี้และได้่ากันไปเมื่บางสมเดแต่เตรียนเสียจเสร็จแล้วเดินทางไปภายหลังผู้โจได้แยกชิมใช่ไหมไปคนเดียวรืไปไม่เยอะนะครับเนี่ยก็เลยดนโจงแยกชิมเลยประชาชนก็เลยพังเพ่ผเขาดิเจร์โฆษาว่าฉะไหนพระสมณะเจษฎาปัจชายบุจึงได้รับอย่างไม่รู้ประมาณอุบาสกนี้ถวาเวยเสด็พระสมณเหล่านี้แล้ว จึงเดินทางไปภายหลังได้ถูกพู้โจอนโจนแย่งชิงเรื่องพระมาทสมเด็จพระเจ้านะดวงก็นะครับซ อ, อ, องเมญสิกาคนนี้ขึ้นมาอย่างที่ว่าไปแล้วนี้ก็มีย า, สส า, า, ยยานสะมัยนี้คงจะหาได้ยากนะถอยเนี่ยนะปล่อยเรื่องหมดตัว แต่ารกเป็นขนมที่เขาไม่ได้เตรียมเพื่อเป็นของฝากู้อมูลสันเดียรเนี่ยไม่เป็นไรนะคมมอนน่อยจ้มีข้อมูลใหญ่นี้ตยองมันรอกไม่เตรียมมาเป็นของฝากใรืบเบอเป็นสันเดียร์นะคำนวณในคำขาน้าไมงไก่สองข้อทีสี่อธิบายการริ่งมาตาสขาบทกนะครับคุณแซมวิชานิช า, าบทที่สี่ต่อไปคำว่ากูเวหนะ์ด้วยขนมทั้งหลายใช่หไหม ความว่าของเคี้ยประเภทต่ประเภทหนึ่งมีขนมต้มและขนมคุกน้ํำอ้อยเป็นต้นที่เขาตักเตรียมไว้เพื่อเป็นของกํำลังเป็นของกำลังเป็นของฝานคนเป็นอาหารมีรสเลิศสมัยก่อนนะครับคา ว, ว่ามันเถหิได้แก่ของฉันมีข้าวสตุ ก, ก็งาและข้าวสารเป็นต้นชิ้นในชิ้นหนึ่งที่เขาเตรียมไว้เพื่อเป็นสเสมานะสมัยนี้มามา่าปลากระป๋องใช่ไหมง่ายนะครับคือ าาาานะ่า้คำว่าคำว่าติปตะปูราความว่าเป็นสองบาทหรือสามบาทไม่เลยขอบปากบาทละคำว่าตะโตเจลตริย์เี่ยรับได้ย่อมไม่สามบาทใช่ไหมถ้ารับเกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าวิสูทธิรับเอ่อรับบาทที่ส า, หาให้พูนขึ้นมาต้อมปาร์จิตีตั้งในขนมที่พูนเลยขอบปากบาท ในคำว่าทั่วติดป่าตปะปูเรปติเขตตะวันครั้งรับสองสามบาทแล้วนะครับนี้พิสุได้รับมาสองบาทพิสุนั้นเห็นพิสุข้างนอกแล้วควรบอกว่าบรรดาสามบาทนี้เรารับขนมเต็มสองบาทแล้วก็อบอกนะนะครับท่านพึงรับเอาบาทหนึ่งถึงพิสุรูปนั้นพราอพิสุรูปอื่นก็ต้องกล่าวว่าพิสุองค์แรกรับขนมเต็มสองบาทแล้วเรารับบาทหนึ่งท่านอย่ารับเลย เพมันได้ถารไ้่ใช่ไหมเดี๋ยไปรับอื่นนะครับพิสูรรูปใดรับเต็มบ่าทหนึ่งก่อนถึงพิสูรรูปนั้นก็ต้องบอกพิสูรหลังโด้วยในนี้เหมือนกันก็ต้องบอกกันนะครับนี่นะแต่พิสูรรูปใดรับเต็มสามบาทดีเลยนะนับเต็มสามบาทเลยจากที่นั้นพิสูรนั้นพบพิสูรอื่นต้องบอกว่าท่านอย่ารับในที่นี้เลยเอเมื่อไม่บอกต้องบัตรทุกกฎ ถึงพิสูจผู้รู้แล้วยังผิดมากอีกก็ต้องบรรทุกกฎเหมือนกันคําว่าตาโตนิรตวานที่ขุมมีสันทิสังฆพชิตตะพังความว่าเมื่อเริ่มมาสามบาทแล้วนะพิสูจน์พึงแวะไปที่หลงฉันหรือวิหารที่อยู่ใกล้จะฐานที่นับขนมมากที่สุดท่าไหนก็แล้วแต่นะที่อยู่ใกล้มันที่สุดเนี่ยก็หรือพึงแวะไปจะฐานที่ที่เคยไปเป็นประจําก็ได้ ที่เรากลับไปฉันประจําแล้วก็ไปที่นั่นนะฮะถึงจะอยูก่การก็ตามนะถึงสถานที่นั้นแล้วเก็บไว้เพื่อนตอนบารหนึ่งที่เหลือต้องถวายแกผู้สูงส่งนครับและไม่ได้เพื่อจะให้แกมิสหายนะเราก็ต้องถวายสงฆ์เพราแบ่งกันตามหลักปทิละใช่ไหมจะให้แกมิสหายอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> จะให้เฉพาะมิสหายไปเฉพาะคนไม่ได้ต้องให้สงฆ์นะ พิสูตได้รับมาบาทเดียไม่ต้องการจดให้อะไรก็ไม่ต้องให้พึงตามทําตามความชอบใจเถิดขอ้อนีไม่ยากนะครับเป็นเนี่ยนะเหตุเกิแแาานนดาากและประเภทแอมมาสิก้าบทนี้ภูมิภานเจ้าทรงฟังพิสูรหลายรูปหนึ่งสามวันีบัญญัติไ้แล้วก็เห็นคือการรับประเคงขนมโดยมนุษย์จักรพรรดิสิก้าบท น, นี้เป็นสามคณะบัญญัติที่สุนีก็มีกั น, กนครับ อันนั้นติกรรมไม่เกี่ยวการใช้ติกรรมไปตีเกินสองสามบาทใช่ไห ม, มเข้าใจสงสัยสําคัญติดต้อนมาเท่านั้นครัรบพิสูจน์แลไม่ถึงสองสามบาทนะแต่สําคัญว่าเกินหรือว่าสงสัยนี่ก็ต้องออกนะครับอนาบัตรมาดูนะบาบัตรนี่น่าสนใจนะครับพิสูจนไม่ต้องอนาบัตรเมื่อล้ำไม่ถึงสองสามบาทนะครับสําคัญว่าล้ำไม่ถึงสองสามบาทเนี่ยไม่เป็นไร รับขนมที่เขาไม่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นของกํานันไม่ได้เตรียมไว้เพื่อเป็นเสบียงนี่ก็ไม่เป็นไรเองครับเนี่ยนั่นเขาไม่ด้เตรียมไว้เพื่อการนี้นะเขาก็ไว้ทําบุญว่าเอาไว้กินธํรดาทั่วไปนี่ก็ไมป็นไรครับรับขนมที่เหลือจากการตัดเตรียมไว้เขาตัดเตรียมแล้วเขาส่งไปแลกให้ยอันนี้มันเหลือเราได้รับของทานยกผู้อะไรนี่ผู้ละก๊าการเดินทางให้เปลี่ยนเนี่ยนะ รอบของทายยงยกพูดรล้รอบการเดินทางเขารอบการินทางเขาจะไม่ไปนะรอบแล้วนะมันก็รอบได้ครับของหญ้าและคนปองนาญานี้ได้แล้วมาด้วยซ้ำของต้นและที่สุดมากเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบนะครับองการอาบัต น, นะครับสิครับวั น, นิี้องค้าเหล่านี้คือหนึ่งเป็นขนมหรือข้าวสันตุกลางกลางแล้วนี่นะที่เขาเตรียมไวน้นะครับก็เป็งของฝากวัตถุเรียนครับ สองไม่ใช่ของเหนือสามทายกไม่ได้แลรับการเดินทางก็จะไปอยู่นะสี่ไม่ใช่ยากาไม่ใช่คุณปรวงวานาห้ารับเกินสามบาทเมื่อครบองค์ห้าก็ต้องแบบไปตีในสิกขาบทนี้นะสุดทามเป็นต้นเหมือนกับสันริทาสิกขาบทนั่นหลยเท่าไหร่รับสันสิทสาเขาสันสิทธิหรือเขาสัสิทอ สูงฐา <c oughs> นหกมีผู้บอกเขียว่าเขียนว่าหกสูงฐานหกเลยชอบหมดเลยนะ <Okay. S 1> ครับ <c oughs> กายคอับ okay. ค <Okay. S 1> ถ้าไม่มีจิตจนรู้ว่า <Okay. S 1> มันเกินแสนบาแล้วเข้าใจว่าไม่เกินอันนี้ก็ไม่มีจิตนะถ้ามีกายในยคือไปรล่ามาเกินอยู่นะครับถ้าวาจาเป็นอย่างไรวาจาอย่างเดียเป็นอย่างงี้นะครับ <Okay. S 1> ผมบอกว่าเพราะสิคามนนี้เป็นวจีกรรม ก็ต้องาบัญแม้ด้วว่าจงให้ในมืของบุคคลนี้เพื so so so so so so ่อถือเอาไว้เพื่อตนเองอ้อมอย่าน้ะครับหมายความว่าเราติดกับบัญชีมัเราไปล่ามาสองแรนะครับที่บาญแล้วาให้นุสิตเราเล่านะครับเรากังก็ใส่ให้เนี่ยในอาเนียนะแต่ในเล่ามาเพื่อเรานี่เพื่อย่างนี้นะนี่ก็ถือว่ามวาสครับเป็นวิธีกรรมเกยนกมันทะว่าเกินจากน้ำหมายครับ แล้วก็กายมาจาริ่งก่อนแล้วจิตพอแล้วกาย จ, จ, จิตมาจาริ่งกายมาจ า, จ า, า, จ า, จาริ่งถ้าไม่เชื่อลูกต้องรู้นะตั้งใจให้เกิดสานบาลนะครับอันนี้ก็จบการทธ่บายกายได้มาจาริ่งขามบนโลกข้อนี้สมัยนี้ก็ต้องยากนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมใส่ยาก่อนนะต่อไปครับ หนึ่งไกลหรอกมาปองราศีข้ามบนผมใข้อนี้ข้อนี้วันนี้ไม่จบเลยสำหรันี้อันนี้ว่าตรวข้อเขาต้องมาน่านไปก่อน <c oughs> เกี่ยนกับการห้ามพันนั่นีองสำคัญนะครับเปิะ ม, มาณในบทสดวิธีนะครับหน้า174ข้อที่35นะครับ <c oughs> พิสูงรูปใดกำลังฉันค้างอยู่ ได้ห้ามพัดเสียหลังจากลุกไปแล้วในวันนั้นเองคืนเคี้ยวก็ดีมฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวของฉันที่ยังไม่ได้ทำอนนต้นติบิตรวิในกรรมการทำให้เป็นของเหลือเดงต้องเอาบัาตรไฟสตีคำว่าห้ามพัาคือมีบุคคลอื่นจะเป็นพัดหรือยมก็ตามเราจาหานมาน้อมถวายอยู่ใกล้ๆีิสูผู้กาลังฉันค้งอยู่ แสดงอาการปฏิเสธด้วยกายหรือวาจา <c oughs> นี่นะสว่าพากันนันเฉ่ค้างอยู่นี่มาเอาฉันโพชนะห้าใช่ไหอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ฉันพูชนะห้าก็ไม่เป็นไรนะปัญหาว่ากาฟแฟนเป็นโพชนาห้านะเล่น <c> เ <oughs> ต็งนะครับไม่อยู่นะกาแฟนไม่อยู่โพชนะห้า คือว่าเรากำลังฉันอยู่เนี่ยแล้วคนเราก็แฟน้องผู้มาแล้วก็ห้ามไม่มีการห้ามพันนะครับพราะกาแฟไม่เป็นคนชนะห้าอันนี้นะครับหมายถึงของที่เราเรากําลังฉันอยู่ด้วยของที่ต้อนน้องมาถวายด้ยทั้งสองฝ่ายนะต้องเป็นคนชนะห้าด้วยนะครับถ้าฝ่ายในฝ่ายหนึ่ไม่ใช่คนชนะห้านี้ก็ไม่พระอบงำการห้ามพัดนะทั้งสองฝ่ายเนี 5, <S 2> <2> <S ่ยแล้วก็ห้ามใช่ไหม ตราห้ามด้วยการอยู่บ้านจากก็เลอ๋พอแล้วเอานะครับมีนะห้ามเลยพอหพักเสร็จแล้วนะครับถามว่าฉันต่อได้ไมถ้ายังไม่ลุกนะครับก็ฉันต่อไปได้เรื่อยมีปัญหาฉัน ไ, ได้เรื่อยจะเป็้อาหารต่อ น, นั้นเนี่อาหารที่ก็มาขวานใหม่ก็ฉันได้เป็นกรณีที่ยังไม่ลุกนาฉันได้เรื่อยๆนะแล้วลุกไปแล้วนะครับลุกไปแล้วจะไปฉันอีกไม่ได้ <c oughs> นะครับนอกจากว่าของที่เราจะฉันต้องใช้เป็นวินัยกรรม ถ้าเป็นของเหนือเดนก็ได้ครับของเป็นเดนีะมีสองแบบเดนพิสุอาภาแล้วก็เดนทำเป็นวินัยกรรมถ้าเดนพิสุป่วยไม่ต้องทําวินัยกรรมอะไรเลยครับก็เดนธรรมดาหมายถึงว่าหาที่เข้าไปถวายข้าป่วยแล้วก็ท่านฉันไม่หมดฉันเหลือใช่ไหมหรือว่าก็เตรียมว่าถวายท่านแต่ท่านฉันไม่ลองฉันไม่ได้เลยเนี่ยนี่ถือว่าของเหลวพิสุอาภาเลยครับพิสุพิสุอาภาพล้วก็สามารถฉันได้เลยถ้าของมิสุอภาเดนพิสุอาภาเนะ แต่ถ้าไม่ใช่เดนวิสุอาภาเนี่ยเราก็ต้องทำวินัยกรรมแล้วเราก็อาหาของเราจะไปให้พระรูปนึ่งนะที่ท่านฉันแล้วนะครับหรือกำลังฉันอยู่ห้ามพันแล้วแต่ยังไม่รู้จะอัศนะนะแล้วก็บอกก็บอกท่านฟังม่าเนี่ยผมไม่ห้ามใาไปนะโย อ, อาหารนี่ให้ท่านเลยครับท่านรู้ด้วยท่านก็จะพูดว่าท่านก็จะบอกว่าทั้งหมดนี่ผมพอแล้วนะท่านเลยพูดแค่นี้นะแล้วโย อ, อาหารไม่ให้เรามือหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเดนแล้วนะครับ เรื่องการทำีินันกรรมนะตัวแบบนี้เราก็ฉันได้ครับไม่ใช่เป <th ername> <ov> ็นครับเพราไม่ต้องหยิบเลยครับราใช่ได้เลยครับอ๋อเป็นวินันกรรมใช่ไหมครับเมื่อทายเปเรย์อย่างนี้เราก็ฉันได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ฉันของเปเดย์อย่างนี้เนยนะก็จะต้องบัดปานจิตตีในสิทธาบทนี้ นี่ไยถ้าบอกว่าบุคคลอื่นเนี่ยจะเป็นผ้าหนิอยมก็แล้วแต่นะแม่ผ้าด้วยการนี้ก็ไม่น่าอะไรนะนอกาก็มาถวายเนี <c> ่ย <oughs> เป็นโพชนาใช่ไหมอะไรก็เลยฉันโพชนาอยู่น้องของใกล้ๆเนี่ยเราห้างก็เป็นอห้ามนะเราที่สุดผู้กำลังฉันค้างอยู่แดงการปฏิเสธด้วยก า, ารอุบายจาก็เป็นการห้ามพันอันนีก็อย่าแ น, น่ต้นมันหยาบนะต้นมันหยาบก็ไม่ยาบ ต้นไม้ใหญ่นี้ม า, าจกมากทิศุหลายรูปนะใน <c oughs> สมัยนั้นพุทธภาพาพทธเจ้าประทําอยู่น้ำประเชตวันอาลางของนันทมิจกาลขัมบรีเข็มพรนครสามวันถีครั้งเมางคนหนึ่งนิมนต์ผูุ้ทั้งหลายให้ฉันทีุ่ทังหลายฉันเต็ดห้าพันแล้ว ไปกระดิษฐานย่าบางพวกก็ฉันอีกบางพวกก็เิ่มบิดาบากปั่นะครับไอ้นี้นฉันเสร็จแล้วห้ามพระเรียบ้อยแล้วนะเยังประดิคุณนย่านะครับไปฉันก็มีหร <aj> <ways> ือเริ่มบิดาบากอีกก็มีนะครับหลังจากเลี้ยงพรแล้วทางได้กล่าวเชิญชวนพวกเพื่อนบ้านว่าท่านหมายข้าพระเจ้าเลยงวิเศษอิ่มหนําแล้วมาเถิดข้าพระเจ้าจะเลี้ยงท่านั้งหลายอิ่มหนาบ้าง พวกบ้านพานกลางแย่อย่างนี้ว่าท้านจางนิวพวกพราพเจ้าอิ่ได้อย่างไรแม้ผิดทั้งหลายที่ท่านมนต์ให้ฉันแล้วยังต้องไปที่เรืองของพวกพระพเจ้าบางพวกก็ฉันอีกบางพวกก็รั บ, บมือรบาดไปเพราะผู้แย่งนี้ใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าพานไม่อิงจริงเนี่ถยถึงยังมาฉันยังมารั บ, บ, บ, บมือรบาดไปนี่เขาค่ก็เลยแย่จึงพางนก็ต้องเสียใจนะ จึงพานั lam lam e like ้นเพ่งตุลิเทียมพุทนาว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญทุกหมายฉันที่เบียงเข้าของเราแล้วฉันไหนจึงได้ฉันนาทิแห่งอี่นเล่าเข้าพระเจ้าไม่มีกาลังพอจงถวายให้พอความต้องการอื่นนะชื่อทุหม้ายได้ยินพานุ้งเพ่งิเทียพัฒนาอยู่บูาที่เป็ผู้มักน้อยศรัดแต่ว่าเพ้งตุลิเทีมพัทธนาก็กราบในนิานทรงสราบพระองค์ก็สรงสอบเท้าทรงติเตียนสนรนั้นแล้วก็มีถือเท้าบระขึ้นมา ภาพเหตุครั้งแรกยังไม่มีคามําว่ายัง ม, มีคําว่าอะไรนะอาหารเป็นเดอนยังไม่มีนะครับนี้นะก็มีเรื่องของพิสุอัภาคเกิขึ้นนะครับก็เลยสมานนันทลพิสุทั้งหลายนำวินยบาบัตรไปนี่ไปถวายผู้าาพิสุอัภาคภาพพิสุอัภาคฉันไม่ไดแน่ใจประสงค์ขวป่วยนะฉันอาหารไม่ค่อยได้ครับนี้อาหารก็เหลือจิตทั้งหลายจึงทิงวิทยาบัตรเหล่านั้นเสีย เมื่อที่หาอะไรเกิดอะไรขึ้นพวกโรการก็มากินนะครับส่งเสียงร้องเกียวแจวนี่นะเกียวกราวเลยนั้นะมันกินอาหากันน่ยเยพือพระเจ้าสงดับเสียงโรคการ้องเกียวกราวขั้นแล้วได้รับสั่งถามธรรมนนา น, ะว น, นุว่าดุก่อนอาดนดเสียงโรคการ้องเกลียวกราวนั้นอาัารย์นอเจนถ้าพระโรคการเป็นเรื่องนั้นแต่เมื่อพระเจ้ามัก็กับไปสมทัก้นะครับรสว่าดุก่อนอาโนฟ้อที่สงหล ฉนอาหารันเป็นเดนของมิสุอาพาศ ห, หรือไม่ได้เฉยเมื่อผู้เจ้าข้าผก้รองก็เลยสอบอนุญาตนะครับว่ารู้ก่อนม่ิสเทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉนอาหารอันเป็นเดนของมิสุผู้อาพาศและไม่ใช่ผู้อาพาศได้แต่คุณทาให้เป็นเดนว่าอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วหมายถึงมิสุผู้อาพาศแล้วนะเป็นผูน้ฉนแรกแล้แล้วผู้รองก็อนุญาตขึ้นมาจะเอาเต็ๆมๆอยู่ที่ได้ว่าอะไร ก็เีก่อนนะในท่านิสสุนีขอความเจริญก็ในทวินัยของพระสมาสุทธิจ้าจงแต่ทนลายด้วยกันทุกท่านเพล่